ที่แรกหลวงพ่อเองว่าจะไปกิจนิมนต์ที่อำเภอศรีเชียงใหม่เป็นโยมอุปถัมภะถาก ม, ม, ม, มาแต่ดังเดิมมาแต่นมนานแต่ไปไม่ได้เ น, นี้รู้สึกว่าปวดหลังผิดปกติปวดหลังมาสองสามวันแล้วหลวงพ่อวันนี้รู้สึกว่ากำเริบขึ้น <c oughs> ก็เลยงดไปให้พระไปแทน ให้พระไปสององค์ถ้าจะไม่ผิดเคยเป็นมาครั้งก่อนๆห้าหกปีให้หลังมันเคยปวดมาครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็หายไปยมาข่าวนี้รู้สึกว่าแต่ว่าตามไม่จริงคงจะไม่ใช่กระดูกนะตามสังเกตตามหมวตีสังเกตเหงั้นกันสังเกตตัวเองว่าโมงไม่ใช่กระดูก มันลักษณะเป็นเส้นเส้นมันตึงๆแข็งๆมันแพงๆมางั้นแหะในขณะที่มันจะเจ็บทีแรกเอ๊ะก็รู้สึกเลยมันงั้นเอ๊ลักษณะนี้มันจะปวดหลังแน่ๆนะก็พยายามระวังระวังจะไม่ก้มไม่เอี่ยวอะไรแรงพยายามอยู่แต่มันก็เจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับมากแต่ก็พอสมควรงั้นแหละอันนี้ก็เป็น ยมมาทูดมาเตือนเหมือนกันยมมาทูดเทวาทูดยมมาทู ด, ม, ม, าดมาเตือนว่าอย่าลืมตัวนะอันนี้เจ็บนะแก่นะเจ็บนะแต่พอความตายมาถึงข่าวนั้นตายแล้วนะอันนั้นคือทูดมาบอกกล่าวอันนี้มาทูดมาเตือน ร่างของเราทุกคนมันก็ต้องผ่านจุดนี้ไปแก่เจ็บตายอันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าวว่าเราไม่ได้พิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนเราไม่พิจารณาเห็นไว้ก่อนพอมาเจอเข้าจังงมันก็อึกเหมือนกันนะ เหมือนทหารไม่ได้ฝึกอย่างนั้นไม่ได้ทหารไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้ฝึกพิธีการรบประเภทนั้นเอาไว้พอมาเจอเข้ามาก็จะอึกเหมือนกันไม่รู้จะเอาอย่างไรล้าว่าเราเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเราคิดไปอยู่เสมอเราซ้อมรบไปอยู่เสมอถึงค่าศึกสงครามจะเข้ามา เราก็ไม่สะทกสะทานไม่หวาดหวัน่นต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะเราได้คิดไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ในลัการพิจารณาธรรมหรือว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านให้สิทธินุสิตของพระองค์ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอมันลนังเมภาวิสติระลึกถึงความตายตัวเองไว้อยู่เสมอข้าจะต้องตายอีกวันหนึ่งข้างหน้า ไม่ต้องสงสัยอันนี้แปลว่าฝึกรบฝึกซ้อมรบฝึกทำใจเอาไว้แต่ถ้าว่าไม่มีคิดเลยว่าตัวเองจะตายพอมรณะภัยหรือว่าความตายเข้ามาคืบคานเข้ามาจิตใจจะรับไม่ได้ทุลนทุลายทำไมมาเจอกับค่าอย่างนี้ข่ายังไม่อยากจะตายพ้นอื่น ทำไมข้าจะมาเจอกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นทำไมจะมาเจอกับข้าใครๆว่ายอมรับไม่ได้แต่การยอมรับไม่ได้จุดนี้จะให้ใครเป็นคนวินิจฉัยหรือเป็นคนตัดสินมันใครทำมาได้ทั้งหมดนี่ละ่ะเรียกว่าอั ต, ตหิอัตโนนาโถต้นแลเปี่พึ่งของตนจุดหนึ่งเหมือนกัน ผมอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยมันมีหลายจุดนะการทํามหาเลี้ยงชีพกว่าอัตหิอัตโนนาโถการพึ่งตัวเองหลายหายอย่างอัตหิอัตโนนาโถตอนนี้อัตหิอัตโนนาโถจุดนี้คือจุดมรณะภัยเข้ามาถึงไม่มีใครช่วยได้จะเป็นระดับไหนก็ไม่มีใครช่วยได้ต้องพึ่งตนเอง เพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้ทบทวนว่าอยู่เสมอว่ามรณงเมภาวิสติข้าจะต้องตายแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งท่านเราฝึกซ้อมตัวของเราไว้อยู่เสมอเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงเราก็องค์อาจกล้าหาญไม่สะทกไม่สะท้านเพราะได้คิดไว้ก่อนแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนา มรณงเมฆคือความตายอยู่เสมอในเมื่อเรามีสติอยู่เหมือนกับคนมีสติว่าถ้าไฟไหม้บ้านเราควรทําอย่างไรเราคิดไปอยู่เสมอว่าเมื่อไฟไหม้บ้านเราควรทําอย่างไรเราก็คิดทบทวนเมื่อเมื่อไฟไหม้บ้านอันดับแรกสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคืออะไรเราจะต้องไปเอาจุดนั้นออกมาให้ได้ จุดน so to ั <speaking> <ans> ้นควรจะอยู่อย่างไรเราจะออกยังไงทําไม่ข้างหลังเราจะออกข้างหน้าอย่างไงเมื่อไม่ข้างหน้าเราจะออกข้างหลังอย่างไงเมื่อมันไม่ข้างบนหรือไม่ทางข้างมาเราจะทำอย่างไงให้ถ้าวทบถวนไม่อยู่เสมออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเพียรนาถึงมรณะมรณงเมภาวิสติในเมื่อความตายมาถึงเราเราจะทําใจอย่างไงในขณะนั้นเราจะยึดอะไรในขณะนั้น เราจะพิจารณาทำอะไรในขณะนั้นแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนพอมรณะภัยเข้ามาถึงโลนเลไปหมดไม่รู้จะจับอะไรบวยวายไปหมดอันนั้นใช้ไม่ได้แปลว่าขาดสติเมื่อตายตายแบบขาดสติตายแบบไม่มีสติตายแบบกลัวตายแปลว่าใช้ไม่ได้ตายแบบนั้นถ้าตายอย่างลุกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตายโดยมีสติ เวลามรณะภัยเข้ามาถึงอา้าวมาถึงข้าแล้วไว้จิตเข้าสู่จิตกําหนดจิตตัวเองเลยไม่ต้องรับรู้ทางกายดูใจของตัวเองเท่านั้นเป็นโอกาสนี้เป็นเรื่องของข้าเสร็จแล้วข้าคงจะไม่พ้นจากคราวนี้ไปแล้วเมื่อทําจิตเมื่อสติอยู่กับจิตแล้วเมื่อมรณะภัยเข้ามาปิดชีพของเราใจของเราก็ออกจากร่าง ด้วยความองอาจกล้าหาญไปแบบมีสติบุญกุศลสิ่งไหนที่เราได้สั่งสมเอาไว้บุญกุศลนั้นก็จะเข้ามาครองใจของเราไปสู่ภพภูมิที่พึงปรารถนาแต่ถ้าว่าเราทากรรมอันใดเอาไว้มันก็อย่างว่ากรรมตอนนั้นจะต้องเข้ามาตีลวนเราเหมือนกันในเมื่อเราจะออกจากร่าง แต่ถ้าเรามีเราฝึกไปแล้วเรามีสติไปแล้วพร้อมกับบุญของเรามีก่อนเก่าจุดนั้นแหละเราจะไปด้วยความไม่สะทกไม่สะทานไม่หวาดหวัน่นไปด้วยการมีสติในการไปไม่ได้ไปแบบกลัวไม่ได้ไปแบบขาดสติไม่ได้ไปแบบไม่ตั้งใจจะไป แต่ต้าว่าเราเตรียมพร้อมมาอย่างนั้นแล้วไปด้วยสติไปด้วยปัญญาไปด้วยความพร้อมยอมรับว่าชีวิตนี้ใครจะผัดวันประกันพรุ่งว่าพรุ่งนี้วันนี้หรือในปีนี้ปีหน้าไม่ได้ถ้าเหมือนเมื่อถึงคราวของเราแล้วเราก็ต้อง ห, อหลับตายยอมรับเมื่อรับตายยอมรับ ยอมรับแบบผู้กล้าหาญคือไม่ทุรนทุรายหันสติเข้ามาสู่ที่ใจกำหนดใจมีสติอยู่ที่ใจตลอดนี่แหละเมื่อตายไปแล้วไม่เสียท่าเสียทีให้ข้าว่าไปดีไปแบบมีสติจากนั้นกุบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้ก็ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นแต่ถ้าคำว่าเราเข้าสมาธิได้ ในขณะนั้นในขณะที่นั่งที่กาลังนอนกาหนดดูตัวเองสติอยู่กับตัวเองจนเกิดสมาธิเป็นญาณทัศนะขึ้นมาในขณะนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นดูใจของตัวเองไปไปสู่พรมได้ไง่ายๆเมื่อสติอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิในขณะนั้นไปสู่พรหมแต่โดยมากพรริยเจ้าทั้งหลาย เมื่อเห็นมรณะภัยเข้ามาถึงท่านกำหนดจิตใจของท่านปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงเป็นพระหันในขณะที่ใจจะขาดก็มีมากตัวมากเช่นเดียวกันแต่ว่าสัมมะอะไรสัมมา ต, ตะวิ ส, ส, สีอะไรลักษณะอย่างนั้นแะแต่หลวงพ่อจำไม่ได้แต่รับสัาบาลีลักษณะอย่างนั้นใครเข้าว่าตายเมื่อจนจะหมดลมหายใจเข้าออก แล้วก็ตัดกิเลสในขนาดนั้นได้อันนี้ก็มีมากเพราะว่าจุดนั้นมันไม่ได้มีที่พึ่งอย่างอื่นเด้มันพึ่งตัวเององั้นแหละเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกเอาไว้อย่าประมาทชีวิตของคนเราหนึ่มันไม่มีที่มันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งหมดนะอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องจากกันถึงจะรับ ก็จะเกลียดโกรธขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งก็ไปคนละทิศาทางกันไปตามบุญกลัมของตแต่ละคนจะเกิดพบนายชาดมากก็อา้าลืมหลงกันอีกเกิดขึ้นมาก็เอา้าสอบแสวงหาอีกหลงกันอีกนี่แหละเป็น ว, วัดตะพนวัดตะบนไม่มีที่สิ้นสุดพดวักวนไปวนมาอยู่เนี่ยเหมือนกับมดแดงแต่ขอบดง วนไปวนมาวนมาวนไปเพราะเดนพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตัดวัตฏบุญให้หนีออกจากวัตฏบุญไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจะตัดที่ไหนตัดที่ใจนะ่ะตัดที่ใจตัดที่กิเลส ท, ที่จะทําให้มกุฎเวียนตัดกิเลสออกจากใจเมื่อตัดออกกกิเลสออกจากใจใจบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละจบอันนี้คือหลัก ที่ประรรมคาสั่งสอนของพระพุท ธ, ธสอนลูกศิษย์สอนพวกเราท่านทั้งหลายไม่เหตุประมาทในชีวิตให้ระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอความตายเป็นของไม่เ mm. ที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากไปขณะไหนเดินอยู่ก็าตายนั่งอยู่ก็ตายนอนอยู่ก็ตายทานอาหารอยู่ก็าตายนั่งรถอยู่ก็าตาย <Yeah. S 1> ขึ้นเครื่องบินอยู่ก็าตาย <Yeah. S 1> อยู่ในน้ำอยู่ในบกตายหมดว่างั้น ความตายไม่ได้เลือกสถานที่เพราะนั้นท่านจึงให้กำหนดลมหายใจเข้าก็ออกหายใจออกออ ก, ก็ตายถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายว่าตายตายท่านพินายถึงความตายไปอยู่เสมอนะเป็นผู้ไม่ประมาทนะรับผ่อนในกรอนุมูนาให้พอ่อน